ว่างจากความโลภสุดท้ายเวลาจะเป็นเครื่องบอกว่านอกจากความรู้สึกเหมือนมีที่แท้เราไม่เคยมีอะไรแม้ชีวิตยังไม่เหลือจะให้เชื่อว่ามีสิ่งใดได้ระหว่างยังไม่ถูกคลิปกายคือ ก็หลงนึกว่าเรามีชีวิตหลงนึกว่าชีวิตเป็นของเราโลภจะเอาสารพันธ์ไม่ว่าหันไปทางไหนใจจับจองทุกเครื่องลอกไม่เคยพอเลยสักวันใจที่เอาแต่จดจ้องออกข้างนอกเหมือนม้าถูกหลอกให้งับเหยือ่อหน้าเบื่อแต่ต้องทนทยานวิ่ง เหนื่อยากนิ่งแต่ก็อดวิ่งต่อไม่ได้ใจที่เอาแต่จดจ้องออกข้างนอกจะลืมความว่างภายในลืมความยิ่งใหญ่แห่งใจที่ไม่เอาลืมว่าสรรพสิ่งไร้เจ้าของลืมว่าหาใครครองแม้ชีวิตไม่ได้นานความว่างจากการมีเป็นสมบัติ เดียวที่ทุกคนมีจริงอาศัยความโลภก้อนสุดท้ายอยากได้ความว่างไร้โลภะสละเครื่องร่อที่ฉุดให้พุ่งต่อไม่หยุดก็เป็นผู้ยุติทุกข์ได้เสียก่อนทุกเกิดมนุษย์เราเอากายอันเน่าเหม็นนี้เป็นที่ตั้งของชื่อเสียงยิ่งใหญ่เป็นที่ใส่เครื่องหอมอาภรสวย ดูสำรวยจนลืมชรามารณะที่รออยู่กระทั่งกูไม่กลับจะหลับไม่ตื่นเมื่อใดก็ไม่รู้ไม่รู้จะโลบไปถึงไหนเพราะมัวโลภแต่จะเอาจึงอาจเขลาพอที่จะชั่วโลภะคือรากแห่งบาปข้อที่หนึ่งบุคคลละความโลภได้แล้วความสว่างย่อมผุดโพล รู้จักใจที่เป็นบุญรู้จักคุณแห่งการสละละความเป็นผู้เศร้าหมองกลายเป็นผู้มองอย่างนักน้อยพอตัวเมื่อโลบน้อยจะไม่แค่เลิกคอยจ้องเอาของคนอื่นแต่ยังมีความรื่นได้ของหายใจไม่หายเพราะเห็นความว่างยังไม่หาย ไม่รู้จะถมความว่างด้วยความโลภไปทำไม